ท่านฟังคะท่านกุหลฟังรายการสัมสนท น, นาดิฉันสัมม น, นาคพงศ์ดําเนินรายการอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าววิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้เราดําเนินรายการมาจนกระทั่งถึงเวลาที่จะได้พบกับพระภิกษุในรูปที่สองนั่นคือพระอาจารย์ภัยบุ์อภิปุลโนจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี ในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะนวัส ก, การนะท่านคะเชีย่ยบอลค่ะ <c oughs> ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่หลายคนบอกว่าสงสัยจะต้องมาทบทวนกันใหม่ซะแล้ว <c oughs> ว่าเราจะต้องมีนิสัยในการที่ต้องคิดถึงเรื่องพิบัติภยัยหรือว่าภัยพิบัต เพื่อที่จะรับมือมันด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนดินฟ้าอากาศในบ้านเราเปลี่ยนอืมพูดถึงไอ้ดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะคะท่านคะมลมฟ้าอากาศเดี๋ยวเดี๋ยวนใช้คําผิดเอ ม, มันมองเป็นธรรมะยังไงได้ไหมคะอ๋อคือคนที่มีธรรมะในใจเนี่ยนะคือธรรมธาตุเนี่ยคุณโยมติวมันอยู่ในทุกทุกทีค่คนที่มีธรรมะเนี่ย เห็นเรื่องไม่ดีเนี่ยเขาก็เห็นเป็นธรรมะได้เห็นแค่ใบไม้หล่นเน่ยเขาก็เห็นเป็นธรรมะได้เห็นคนด่ากันเขาก็เห็นเป็นธรรมะได้คือธรรมธาตุเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราที่เราจะเลือกหยิบตรงไหนมาสมมติเราเห็นเขาด่ากันอย่างเงี้ยเราจะเอามาทำตัวเป็นทําป็นด้วยฉันด่าด้วยอันนี้คือคนชั่วจะเป็นอย่างนั้นแต่คนดีเห็นเขาด่ากันเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ทําหรอกอย่างนี้คนชั่วทําฉันจะไม่เอา นะเรื่อง <c oughs> เดียวกันเลยใช่เรื่อ ง, เ, องเดียวกั น, น, นเล ย, เลยใช่ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเรื่องของภัยพิบัติเนี้ย <c oughs> ที่เกิดขึ้นบางคนคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ข้อมูลเนี่ยก็จะไปโทษนั่นโทษนี่โทษพระพรหมพระอินทต้องคนนั้นทําอย่างนี้แน่นอนคุณเอาอันนี้ไปลาดอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเพราะว่าคนนี้ขึ้นมาเลยเป็นอย่างโน้นโอ้ยมันโทษไม่ได้ทั่วค่ะมันโทษไปได้ทั่วถ้าจะโทษอ่าใช่ เอาโอเคว่าอา้าวพราะสงสัยนายคนนี้นั่งอยู่เฉยเฉยไม่ยอมช่วยอะไรต้องเป็นเพราะแกแน่นอนทําให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้ว่ามันยังไปโทษกันได้คือดิฉันบางทีก็ขำนะคะอย่างที่ท่านพูดเนะะี่ยค่ะเหมือนกับว่าไม่ไปจะทําอะไรหรอกเขาหาที่ติกันจนได้คน <c oughs> ที่ชอบเตียงค่ะแน่นอนเ <c oughs> แน่นอนเอาอย่างพระพุทธเจ้า่ะคุณยมเตียวเนี่ยเลิศหรูอลังการขนาดนั้นน่ะยังมีคนไปด่าค่ะเออมันก็โว้ยขนาดพุทธเจ้ายังมีคนด่าแล้ว จะ อ, อะไรเราธรรมดาเนาะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ตกใจที่นิสัยเราเปลี่ยนแบบลมฟ้าอากาศเหมือนกันนะคะอืมใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยพบไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเป็นคนช่างติช่างว่าแต่วันนึงเนี่ยดูทีวีก็ไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเอ๊ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องของการ <c oughs> ติไปหมดเลยไม่สบายใจอืมก็ <c oughs> มาถามตัวเองว่าเราเป็นอะไรไปแล้วอาเพราะฉะนั้นคนที่เราเห็นคนที่เห็นธรรมเนี่ยคือคนที่ปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆอยงไง <c oughs> เขาจะเห็นธรรมธาตุในสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดอืมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสมมุตินะคะเกิดมันเป็นไปแล้วท่านคะเป็นด้วยอะไรก็ไม่ทราบ <c oughs> แล้วเราก็ไม่สบายใจเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนไม่เป็นมันน่าดีกว่านะอเป็นไปแล้วถ้าจะให้คนเปลี่ยนจากที่มัน ฝังนิสัยไปนานแล้วเนี่อืมแก้ได้แก้ได้แก้โดยพระพุทธเจ้าเลยนะคะมีไหมคะใช่ก็คือแก้โดยการที่เราสำรวมอินทรีย์อย่างทําไมพระสงค์เนี่ยพระพุทธเจ้าถึงห้ามในการดูการเล่นอันเป็นค่าศึกต่อคุณสมรรถธรรมเพราะว่าจิตของเราเนี่ยจะน้อมไปในการที่เป็นอย่างนั้นอย่างสมมุติคุณดูเรื่องอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับการอารมณ์มากๆอย่างเงี้ยดูรูปอะไรที่มันหวือหวามากๆอย่างเงี้ยจิตเราจะน้อมไปทางนั้นค่ะถ้าดูมากๆเราจิตจะน้อมไปทางนั้นดูเขาด่ากันมากๆเนี่ย สอาครั้งแรกเราอาจจะทวนกระแสได้ไอ้ฉันไม่ทําหรอกดูไปดูไปดูไป10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งนะจิตของเราเนี่ยเมื่อตริตรึกในทางใดๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้าจึงให้สำรวมอินทรีย์ไว้ก่อนครับนะคุณอย่าดูการลเล่นอะไรที่เป็นฆ่าศึกต่อกุศสรธรรมหนังดูละครในพวกนี้เป็นฆ่าศึกใช่ไหมไม่เอานะแล้วก็มาดูสิ่งที่เป็นธรรมะเราสำรวมอินทรีย์เนี่ยจะทําให้เป็นการปิดกั้นสิ่งที่ไม่ดีละ่ะนะค่ะ ขออีครั้งนะคะสำรวมอินทรีย์ไม่ให้ดูอะไรบ้างนะคะท่านเ อ, อการะเล่นอันเป็นค่าศึก่อกุศลธรรมคการเล่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในศีลแปดด้วยคนที่มาอยู่วัดตือศีลแปดเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติข้อนี้ดูฟุตบอลนี่เป็นค่าศึก่อกุศลธรรมไหมะอะเป็นการะเล่นที่เป็นแบ่งเป็นสองข้างอ๋อเหรอคะอนี่ดิฉันแกล้งถามนะคะเนี่ยฟุตบอลมวยไม่ให้ดูภูรยาบอก หรอคะ <S <S การละเล่นอันเป็นค้าสึกอ่าใช่หมากรุกหมาคอสอยเ ง, งี้ยก็ยังไม่ให้เล่นทํำไมอะคะอ่ะเพราะว่ามันมีการแพ้การชนะเกิดขึ้น <S 2> <S 2> การแพ้การชนะมันเสียหายยังไงคะเอเพราะว่าคนแพ้ย่อมอยู่เป็นทุกคนชนะย่อมถูกปูเปนถ้ามีการแพ้การชนะเกิดขึ้นก็ไม่ดีอะไรที่แบ่งเป็นสองข้างออืมแต่มันก็แปลกนะคะไอ้เรื่องสองข้างเนี่ยเป็นยอดนิยมเลยค่ะท่านคะ ฟุตบอลเนี่ยคนคลั่งทั้งโลกนะคะก็จะมีอย่างยังอะไรล่ะถ้าจะแบ่งเป็นสองข้างเราก็ควรจะแบ่งเป็นลักษณะของกิเลสกับสมุทัยกับนิโรธอย่างเงี้ยนะความเกิดแห่งทุกข์กับความดับแห่งทุกข์ถ้าเรามามองมาจะมองเห็นอย่างนั้นเลยนะท่านค่ะอืมทีนี้อย่างนี้ค่ะสมมูติวัตถุทธองค์บอกให้สํารวมอินทรีย์เราก็อยากปฏิบัติตามท่านนะคะเพราะยังจําได้ว่า ท่บอกว่าถ้าเชื่อฟังคำํำสอนปฏิบัติอย่างที่สอนเนี่ยอืมก็มีโอกาสในการที่จะทําให้แจ้งที่สุดแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติทีนี้สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยอของที่เป็นการละเล่นมีสองข้างแหล ะ, ะนี่แหละนี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าคารวะเนี่ยเป็นทางมาแห่งทุลีค่ะอะบัณฑรตชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างค่ะนะคือทุลีเนี่ยหมายถึงว่าฝุ่นมันจะเข้าตาได้ง่าย ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นว่าอย่างกันที่เป็นคารวาสเนี่ยเดี๋ยก็มีคนโทรมาชวนไปนั่นนี่เดี๋ยวก็มีเพื่อนโทรมาด่าอีกคนหนึ่งให้เราฟังอย่างเงี้น ะ, ะหรือว่ามีคนนั้นโทรไปชวนไปกินเหล้าในพิทีกลางคืนเรายอยู่ของเราดีๆก็โทรเรามาชวนเราไปทําไม่ดีมันก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นทางหมายทุลีพระพุทธเจาบอกแต่ว่าการปฏิบัติเบรรพชายเนี่ยเป็นโอกาสว่างอย่างงี้ย วันนี้ดิฉันเข้าใจมากเลยนะคะว่าบวชในหน้าจะไม่เหมือนกับตอนไม่บวชแต่ทีนี้ <laughs> บางทีดิฉันก็เห็นนะคะในวัดเขาก็มีทีวีมไม่รู้การเล่นที่มีการแบ่งเป็นข้างเนี่ยได้ได้รับการดูกันหรือเปล่า อ, อ, อ, อ, อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ถ้ารู้พุทธวจะนะแล้วไม่ควรทำอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะมก็เป็นสิกขาบทที่ภิกษุควรจะต้องสมาทานในการปฏิบัต แต่ว่าแต่ละตรงแต่ละท่านก็ปฏิบัติได้มากน้อยเท่าไหร่ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นต้องพิจารณาเอานะคะอันนี้ก็ไม่ได้จะมาะเพื่อที่จะแนะนำไปยังพระคุณเจ้าดิฉันเนี่ยไม่ไม่อยากจะเศร้าหมองเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้และไม่อยากบาปด้วยค่ะก็เป็นว่าให้รู้ว่าอันเนี้ยพุทธวจนะเนี่ยมีมมแล้วก็ ทำตางที่ท่านภัยบุญบอกอืมอย่างอาต <Yeah. S 1> มาเป็นพระเนี่ยนะคุณโยมเตียวง่ายๆคือจะไม่มีใครโทรมาคุยเรื่องละครอะไรกับอาตมาเพราะเราไม่ได้ดูหรือมีคนโทรมาชวนว่าเออเธอดูละครเรื่องนั้นสิแต่ถ้าเป็นคารวะเนี่ยจะมีคนโทรมาบอกเราค่ะเอาหรือว่าจะไม่มีคนโทรมาชวนเราไปกินข้าวเย็นค่ ะ, ะเพราะว่าเราไม่กินข้าวเย็นอย่างเงี้นะ <laughs> ดิฉันเคยมีผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งมีคนเล่าให้ฟังท่านเป็นแม่ชีนะคะอืคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้หญิงไม้มาก่อนมีฐานะมากอืแล้วก็มีทรัพย์สินมีอะไรเยอะมีความน่าสนใจอย่างสาวอยู่อืมท่านเลยบวชชีเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาไม่ให้ใครชวนไปทานเข้าเย็นก็อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีอาจารย์คะทีนี้กลับมาเรื่องของการสํารวมอินทรีย์ วมสักครู่ที่ท่านบอกว่าการเล่นที่เป็นค่าศึกต่อกุศลคือประเภทมีสองค่ามีการแพ้การชนะเนี่ยทำให้คนแพ้อยู่เป็นทุกข์คนคนชนะย่อมผูกเวรใช่ไหคะใช่ทีนี้มองในเรื่องของการเมืองเไรค่ะท่านคะการเมืองเวลามันแข่งขันกันจริงๆมันแบ่งเป็นสองขั้วค่ะถ้าจะเปรียบไปถือว่าเป็นเรื่องการเล่น ที่เป็นค่าศึกต่อกุศลแบ่งเป็น2ฝ่ายไหคะเพราแข่งกันเลยค่ะการเมืองไม่ใช่เรื่องเรื่องแบ่งเป็นสองฝ่ายคุณยอมรับการเมืองเป็นเรื่องของชีวิตประจําวันการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนประชาชนไม่ได้แบ่งเป็นสองฝ่ายนะใช่ค่ะดิฉันหมายถึงหน้าการเมืองค่ะคือเหมือนกับว่าเอาง่ายๆถ้ายกตัวอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมองเห็นเอาเข้าไปในสภาปุ๊บเนี่ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเลยนะคะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรัฐบาลถ้าในซิ่ของตัวผู้ที่ทํางานการเมืองเนี่ยค่ะ ม, มันจะถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายถ้าจะพูดถึงเรื่องการปกครองอย่างนี้นะผู้เชี่ก็จะพูดถึงเรื่องธรรมาธิปไตค่ะอะ่คือถ้าฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไม่เป็นไรคุณมีศีลไหมคุณปฏิบัติตามธรรมไหมอ่าแค่นี้เองถ้าทุกฝ่ายทําอย่างนี้นะโว้ยจะมีกี่ฝ่ายก็ได้สองฝ่ายก็ได้สามฝ่ายก็ได้ฝ่ายเดียวก็ได้ที่ที่ข้าถามท่านเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะจัดอยู่ในเรื่องประเภทที่ อาจจะปรับเข้าไปกับการละเล่นที่แบ่งเป็นสองฝ่ายไม่ควรที่จะไปสนใจคือควรจะสํารวมอินรีในสิ่งเหล่านี้หรือไม่และถ้าสํารวมสํารวมอย่างไรคะอืมก็จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดเป็นหนึ่งในโอ้หลายๆเรื่องที่ไม่ควรพูดเรื่องคือเรื่องบ้านเมืองเรื่องเมืองหลวงเรื่องอ่าพวกเนี้ยไม่เกินพูดไม่ควรพูดนะนะถ้าจะพูดเนี่ยควรพูดว่าเช่นนี้เช่นนี้เป็นทุกเช่นนี้เช่นนี้เป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุก เช่นนี้ช่นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และเช่นนี้ช่นี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือพูดในนัยยะของอริยสัจสี่อืมค่ะแต่ถ้าพูดในนัยยะของอริยสัจสีก็ดูเหมือนกับว่าเราก็จะมีความสำรวมอินทรีย์อยู่ในการพูดถึงทุกทุกเรื่องใช่ใช่นะนั่นเองอืเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดให้เป็นธรรมะมันก็พูดได้เรการเมืองนักการเมืองอย่างเงี้ยนะค่ะเว่าตรงนี้เป็นทุกข์นะ อ่าไม่ควรทํานะเอาวิธีแก้ทำอย่างนี้นะโอเคจบเลยท่านคะเมื่อวานนี้ท่านได้พูดถึงว่าอเรื่องสัญญากับเรื่องสติที่บอกว่าจะมาพูดอีกยังพอมีเวลาที่จะพูดถึงไหมคะพูดได้ได้ได้พูดได้พูดได้คือที่ท่านท่านพูดถึงว่าการที่เราเข้าใจว่าเป็นเป็นสัญญาน่ะจริงๆสัญ ความจำเนี่ยคือสัญญาแต่จริงๆมันเป็นแค่การหมายรู้ใช่ะคะแต่ว่าสติคือเวลาที่เราดึงออกมาใช้ใช่ใช่ใชคะทีนี้ท่านพูดเลยค่ะว่าในเรื่องนี้ต้องมาคุยในรายละเอียดมากขึ้นวันอ๋อโอเคโอเค ค, คือที่ภาษาบ้านเราใช้ในปัจจุบันคือความจำเนี่ยน ะ, ค, ะความจำเนี่ย memory ในภาษาอังกฤษเนี่ยน ะ, ะมันจะมีอยู่สามส่วน คือถ้าเราไปศึกษาเรื่อง m e m o r y ดีๆเนี่ยนยักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะพบว่า m e m o r y หรือความจำเนี่ยมันมี3ส่วนส่วนแรกเนี่ยคือการที่เราเก็บข้อมูลลงไปนั่นคือเราเขียนข้อมูลลงไปในสมองเหมือนอย่างฮาร์ดิสอย่างเงี้ยนะคุณเขียนข้อมูลลงไปในแผ่นฮาร์ดิสเนี่ยหรือว่าจดบันทึกเนี่ยตรงเนี้ยคือสัญญาแล้วจะมีการเก็บเก็บรักษาไว้เก็บตรงเนี้ยคือเป็นหน้าที่ของสมองหรือเป็นหน้าที่ของเซลล์ประสาทอะไรต่างๆทงี่มันจะเก็บข้อมูลแล้วอย่างที่3คือการดึงออกมานั่นคือ มันต้องมี3ส่วนตรงนี้อาง ค, <ะ S 1> คนที่จําได้ไว้และบางคนเนี่ยจาจําเข้าเนี่ยจำช้าแต่อยู่นานดึงออกมาง่ายอย่างคนค <ะ S 1> ที่ท่องท่องหนังสือเงี้ยท่องท่องเป็นหลายๆ10รอบกว่าจะจําได้จะจําแล้วติดทันทีน<ค> ะ, ะบางคนอไอ้ตรงส่วนที่เขียนเข้าไปเนี่ยได้รวดเร็วมากแต่ส่วนที่ดึงออกมาเนี่ยยากช้าอย่างนี้เป็นต้นน ะ, <ค> ะ, ะเพราะฉะนั้นเขาเรื่องนักวิจัยเนี่ยเขาทำการวิจัยเรื่องความจําตรงนี้มาละทีนี้ถ้ามาดูธรรมะความหมายที่ผู้ชอบบอก นะความความหมายความจําตรงเนี้ปริชาพูดถึงที่จะเกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ที่คนจะสับสนเนี่ยคือเรื่องของสัญญาสัญญาแปลว่าความหมายรู้รหมายรู้ในที่นี้คือเขียนลงไปอย่างเช่นว่าอาตมาไม่มีความหมายรู้ในภาษาสเปนนะอาตมาไม่รู้ภาษาสเปนจําไม่ได้ไม่รู้ว่าไอ้คาว่ากินข้าวเนี่ยเขาว่าอะไรนะะเราไม่มีสัญญาในการที่เขียนเข้าไปนะนี่คือข้อที่หนึ่ง ส่วนไอ้นี่เวลาดึงออกมาเนี่ยคือระลึกได้นึกได้เนี่ยคือสตินะีคือความที่เรานึกถึงนึกออกนึกได้อ่าเพราะฉะนั้นบางทีเรานึกชื่อคนไม่ออกเรานึกไม่ออกว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะอันนี้คือสติที่เราจะระลึกได้แต่สติในที่นี้คือหมายความว่าคุณไม่มีสติในสิ่งนั้นนะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีสติในลมหายใจอ่าคือลมหายใจมันอยู่กับเราอย่างไรเราก็นึกออก <ians> ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นคนละอันกันก็คือจำแนกให้เห็นชัดเจนโดยเปรียบเทียบกับเรื่องทันสมัยเลยเมมโมรีในการที่เมมโมรีมันต้องประกอบไปด้วยสามอย่างเก็บข้อมูลหรือสัญญาซึ่งมีความหมายเพียงแค่หมายรู้ใช่นะคะแล้วก็การเก็บรักษาจะเก็บรักษาไว้ที่สมองส่วนดึงออกมาใช้หรือการระลึกได้นั้นคือส่วนของสติท่านคะแล้วไอ้ที่เวลา เราจะได้ยินว่าถ้าตามหลักศาสนาพูดแล้วสติถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ถูกไหมคะศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยรวมเป็นสติถูกนะคะก็คือสติเดียวกันนี้ถูกต้องดิฉันระยะเนี้ยจะพูดกับคนอื่นว่าในช่วงน้ำท่วมต้องมีสติมีคาถาคือคาว่าสติสติสติสตนี้ได้ไหมคะ ได้ไดคือสติในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องนึกถึงชื่อคนนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เป็นสติในในกายของเราค่ะอ่านี่คือที่พระเจ้าสอนสติตรงนีน้คือเรานึกถึงอยู่เรื่อยนึกถึงสิ่งที่ดีนึกถึงลมหายใจนึกถึงกายนึกถึงความรู้สึกอย่างนี้นะค่ะนะคะก็ถือว่าคําว่าสติสั้นๆเป็นคําที่ใหญ่แล้วก็นํามาสู่การที่จะบอกท่านว่าเป็นเรื่อง สำคัญซึ่งถ้ารวมกันแล้วที่พูดพูดพูดพูดมาในรายการสันสนีสนทนาซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของพระาศาสดาที่ว่าพุทธวจนะนี้ถือว่าเป็นสติอยู่สักครอบคลุมไปสักกี่เปอร์เซ็น์ที่คุยคือธรรมะทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยคุณยมติว <ฮะ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติในการพูดก็คือมีสติตลอดถ้าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องธรรมะก็มีธมรรมะตลอดถ้าเรื่องที่เราพูดเป็นเรื่องของ สมาธิก็เป็นสมาธิตลอดจิตเราต้องเป็นหนึ่งตลอดอย่าง ค, คือมันมันมาขนานกันหมดเลยทุกระนาบเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปในสัปดาห์นี้นี่ได้ใช้เวลากันมาเต็มเหยียดเลยนะคะก็นมัสการขอบพระคุณท่านไพบูลซึ่งการ น, านามัสการาท่านคะ่ะสำหรับท่านไพบูเลเนี่ยท่านไม่ได้อยู่พักเสาร์อาทิตย์อย่างพวกเราค่ะเพียงแต่ท่านจะย้ายที่ไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันเลยที่ห้า ก็เปิดไปติดตามรับฟังที่นั่นเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนเราเนี่ยจะกลับมาพบกับท่านทั้งรายการสัมมนสนท น, นาทุนจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ครอบครัวข่าว FM106 สถานีวิทยุสทอรนะคะแห่งนี้คำถามท่านรีบส่งมาเลยจะได้เตรียมออมาตอบที่เพียวธรรมะ .com/106 ส่วนหนังสือขอมาที่0 2 2 6 9 0 0 0 6เป็นหนังสือชุดพุทธวจนะจากวัดนาป่พงศ์พระอาจารย์คริสโสธิโล และสําหรับท่านที่ต้องการสถานที่อบพยพที่เป็นวัดนะคะแต่เป็นวัดที่ให้ท่านรับประทานอาหารกินอิ่มนอนหลับแล้วก็ยังมีธรรมะอยู่ในวัดถ้าท่านสนใจท่านหาได้และไปพักกันได้ไม่เลือกผู้ที่นับถือว่าต้องเป็นนับถือาศาสนาใดนะคะติดต่อไปที่คุณสุภาพ 089-944-647-1 ี่สหสี่เจ็ดหนึ่งค่ะอันนี้เราหลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ พบกันใหม่สัปดาหน้าพุทธวัดสวัสดีค่ะ